พระธรรมเตสนาโมโหสถจาดกจอมปราถแห่งมิถีลาผูกที่สิบห้าฟังแล้วเกิดพญายาปัญญาปพุชร า, าดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชมภูปเปลี่ยนทมพกประโยคนักรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงายนาโม ตัสาภากวโตอาระโตสมมาสัมพุทธะโพธิสัตว์อุปาณิขตปุริสภาวะติยตวจินเตศี <c oughs> สาธาดุดราสปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทามีสัตวทธาเก่าเป็นพาทาน มีใจบานอ่อนกอมยอมือน้อมฟังทรรมจุงดาจำติดต่อตมบาทคอบาลีว่าโพธิสัตว์ดังดีเป็นต้นบัตินีเดเต โอทิสตโตอันว่าโอทิสตุนบุญใหญ่หู้แจงไขอุบายจากจุ่มใจแกว่งใจอันแต่งไว้แดนไก่ก่อขดิ่งในเกิดขวาดว่าเมื่อนักพาตผู้มีผาญาดดังตัวกูนีนันยังอยู่ได้พำหูอบาย ควรคงควายรีพาวเฮตันตาโอนาดาคือพาญาหลายลากร้อยเอ็ดหากเป็นไม้ป้นตั้งไตจูผู้ือได้อยู่นานไปกันคันิ่งในเมียนแล้วก็เรียกเสียวแก้วเตรียมตนได้ปันคนเป็นแกนย่อมกาแก่นอาสา คือเข้ามาจูผู้บอกคือหูวความในว่าสู่จุงไว้รีบหาวไปสู่ดาวอุญญาณแห่งเต้าผู้บานจุนนิราช <c oughs> ผู้หาวหาดปลาล า, ายามพาญามวนหมู่พงเข้าสู่ภายในสู่จุงไ ว, ว้แวดไว้ยังอจสนญยเจียงคาน ต้าภูบ้านใหญ่น้อยก่อจักเกาท้อยจะทมว่าอาสนางามนั่นไสสู่อ้วงวัยปันไัยสู่มาจากไหนนั่นไสเป็นโยธาเต้าไทยได้เจ้าสู่จุงจาต้านกาว่าเป็นโยธาเต้าวิเตหราเข้าจักจะาตอบเล่าว่าเต้าสู่เจ้าตั้งลาย บ่หันไกมาไกตูรบใดเจ็ดปีเจ็ดเดือนมีเป็นแก่นเจ็ดวันแม่นเป็นวายเต้าสูตั้งลายนั่นใส่บ่มาไกกองตาบัดนีนาเต้าไทยตนยศใหญ่จุลนีใจยินดีจื่นสูจักเลี่ยงหมูเราราป่อยจักมาเข้าหมูบ่กึดหมูละอาย เือตั้งหลายละไว้ยังอาสนา่เจียงขานไปอ่วงปันลากาัรสุดส้อยอันต่ำต้อยสุดไปหฮือตันตั้งหลายตอบเราว่าเต้าเป็นเจ้าเรารา มีแต่จาหยดเย่าควรนั่งเตรียมเต้าจุลานีกันฮือตูนีลาไว้ยังอาจสนาใหญ่เจียงคานไปอ่วงปันหลังการอันต่ำ <c oughs> ดังคำยำดูเควนตัวเจ็บเกนบกน่โนยแสงต่อถอยไปมาแสงเครื่องกาขดไม่เอาคนไหลต่อยห้ เออแตกไปเสียงคว่ตั้งของเลี้ยงไสนา น, า, นามีจิ้นป่าหลายสิ่งรษะหนิงหลายอันเฮป้ากันบุปผา ต, ตกเรียราดเนื้อดินเป็นบนทินติดฝุ่นเป็นมุกมุนดินทรายอย่างือคนลหลน้อยใหญ่ได้เลี้ยงไสดังไม้ ให้เล่าลายน้อยใหญ่ต่อยเสียงไข่ตั้งม้วนดังไอส่วนหาเท้ารบกับเต้าอินตาสู่จุงจ้าบอกเล่าว่าเป็นเสี่ยวเจ้าโมสดเสนาบอดี คือคนมี ม, ว ม, ม้วนหมู่ใดพผ้ามู่เล่งหันแล้วป้ากันรีพาวปอกสู่ดาวเมืองเราจุมหมูเขาแกว่นใจฟังนอพระติไวไข่ฝัน <c oughs> กอป้ากันไว้ว่องออกจากห้องมิธีลากันไกลกาไปรอที่สวนยอดดวยญานก่อกระทำการต่างๆ ตามเจ้าอ้างไข่ปั่นแล้วเรียวปั่นบ่จะรีบอายนาขึ้นมาก็มีหันและนะ <c oughs> ส่วนผาญาจุลนีหยดเงาหัวแจ้งข่าวขี่ญายินเครื่องกาโคตรหม่จะคือเต้าไทยตั้งลาย ได้ว่ำวอยมวยม่างบ่อสมไฟอ่างคานิงใดส่วนเจ้าห่อใจต่างดาวร้อยเอเต้าเป็นใบก็โ ค, โคโดรลายแต่เราย อ, านอนบ่อได้สเสวยเราอาหารตั้งของหวานหลายสิ่งราสายิ่งนานาส่วนโยธาน้อยใหญ่ก็คโคดไหมเหลือร้าย ย้อนเสียได้เข้าเ่าจิ้นปลาเห่าดาดำาวางตั้มเป็นท้อยบ่อได้ดอยดังใจโยธาในมวนหมูต่างขามสู้อาสาต่างใครจะจะทอยดาเจ้ายอดซอยบุญมีเต้าจุนละดีห้าวหาดก็มีราจ้องการคือเต้าผู้บ้านน้อยใหญ่ ได้ ห, วหวัวไข่เดีวไว้ว่าจักยกโยธาในมวนหมู่ออกไปสู่มิทิลายับพญาวิเตหราตัดหวัวหืขาดกับตาแล้วนำมาติเก่าเลี้ยงเขาเล่าเอาใจจุงเร็วไว้ดาไว้ ย, ยังไผ่ไตใจหานส่วนเกวัตอาจารย์ผู้เท่าก่อกมเก่าทุนสา ว่าเมืองมีที่ลานันเล่ามโหอดสเฝ้าภายในบ่มีไผแต่ใสจักาพาบได้ดังไมายแม่นมีรีปนไายเลือแหล่ <c oughs> ก็บ่ออาจแปดดีลีจักเล่นนีเสียเป่าบ่อได้เล่าสั่งมาเมืองมีที่ลานันใสดังทำใหญ่ยยกู้หา ราจาสิรักษาอยู่เฝ้าจูคำเจ้าขึ้นวันสัตว์ได้ผันไปไกลย่อมไตไข่บัดเดียวบอตันเหลียวปิกปอกไหวน่าออกพระนีเต้าจุลดีที่ราดใจห้าวหาดฮึกหาดแม่นเกวัตอาจารย์ผู้เท่าจักบอกเล่าลายหุนโกธาลนจองฮอเอ บ่จะถอยเอากรมก่อรีบน้ำก่อนนานำเจ้าฟ้านานาคือพ้าญาต่างดาวร้อยเอต้าวเป็นไม้รีบปนไล่เรือหลากสิบแปดอโคเพนิหากเป็นทาราจุ้มยโยทาหรองสนันตองดินดานเกวัตอาจารย์ผู้เท่า ก็ใต่เต้าตัวไปโยทาในม้วนหมูไหลหลังลู่จอมกันโหร่องนั้นซาเศร้าซดันดาวปัตวียามอยที่เตียงคอนจิงไปรอดบอนมีทีลากันไก่กาไปรอดเมืองแก้ญยอดดังใจเจ้าหอใจจุลนดีราดผู้ห้าหาดปาลา ก็เือเสนาหน่อยใหญ่ล้อมเวียงไว้จูปายเมืองกว้างลหลแต่โสดใดเจ็ดโยต์เป็นทาราจุมโยธาล้อมไว้บ่อเว่นใดแดนใดจันปลายใดหมู่จ้างตัวเอกอ้างงอ่แวนนกคอนกว้างใหญ่จอดเสียงไข่อาณา จันทร์ถัดมาหมู่มาตัวอาตกาเร็วไว้ย่อมหูใจแห่งเจ้ามีมากเต้านำนาทัพจันทร์ถัดมารถใหญ่อีบแน่นไข่ใหญ่ยาย่จันทร์สุดปลายไปนอกจุ่มหมู่หอกปืนไฟธาตุใจดาบกาแหวนเป็นตาตึบตันต่างปะกันโหร้องสนั้นกองแดนไก่ พ่องตามไฟไม่ไต้ส่องแจ้งไขอาณาดังสุริยะส่งแจ้งไขจู่แห่งปฐวีกอวิหันและนาะจัตตารปันดิตาส่วรรอาจารย์ก่อนเก่ามีเสนากะเท่าเป็นราทานฟังเสียงโยธาหรนหร้องสนั่นกองปารา ก็พิจารณาหูใดว่าเป็นสักใหญ่ใจหานแห่งเต้าผู้บ้านจุลนิราศลวดไม่มาดกลัวตายเรียพันภายตั้งหมูขึ้นไปโส่หอคำแล้วไรกคำบอกเราแก่เต้าเจ้าวิเทหราา ว่าบัดนี้นายศึกใหญ่วังแวดไว้จู ป, ปายขอเต้าบุญภายยดใหญ่คานิงไข่ปิจจารณาเจ้าปา ร, าราธิทราชฟังศีนักผาดจากใครก่อเรียวไว้สั้นส่องตัดนาปองเบงจรนตนผู้ทนเจ้าฟ้าหันสะ ก, กาแดนไก แวดเวียงใจกว้างใหญ่จอดเสียงควายจูป้ายจ้างปังป้ายร้องแสนมาฮีเห็นเรื่องดนีนบยัดกันลายหลาก <c oughs> มัวรถมากนำหนาตั้งโยธาหอกดาบแกนรบภาพเตียวตีนเต็มแดนดินปลายนอกเต็มจู่ขอกสุดตา เจ้าปารายศใหญ่ร้อนเอาไมเเลือดลายว่ากู้เตียงตายมวยหมอดบ่าออาดรอดพระนีใจบอดีไว้วันเลือตัวสันระสายบ่อหันลหลจะแก่หือได้แป้สัตวถูผู้มาจูตีไกแวดล้อมไม่นำนาเต้าปึกษาลืมเล่ากับสีเท่าอาจารย์ เขาทุนสารขับไว้ว่ากึดเสียงไข่ตันผ่านญาจุมเรารามวนหมู่เตียงหมู่หมู่จอมกันส่วนหนอคุณทานยศใหญ่หัวแจงไ ข, ข่ขีญยาปิจาระนาดันสอดบอก่กึดรอดตั้งกลัวยังไขรหัวจืนสู ก่ากติโยสันดีดังราชสีตัวกาบกวัวสัตปาดงไผ่ก่อเรียวไว้ไปไว้สึงเตา้าไทยหอฉันเต้าได้หั่นสั้นพอยังเจ้าหนอกมูนีความกวัวดีกว่าจอยขึ้นข้าคอยในใจว่าบ่บีไัยแต่ใส พับแผ่นไตโลกาอันจากมาจวยกำเฮือหลวงล่ำอุนตารายเว้นแต่ใจลมดนาคือมโหสดเจ้าเสนาบดีันยามีองค์อาจจบชาลาดเหลือคนอาจจวยตนเต้าไทยเฮืออยู่ใ ด, ดสัตตดีเจ้าปุริธิราชก็ก่าวบาทกะถ า, ขา ว่าปัญจโลโสปปะปเศนายะดังนี้เป็นต้นว่าดุรามะโหสดผูชาลาดบดีเต้าทีราชุลณีรีปนมีพร้อมไข่ล่อมเมืองเฮาไว้จูปายแวดใย่ยสีจันอยู่ตั้งมันตึบตันจ้างตกมันอากา ตั้งหมูมาเจียงจินคนเจียวตีนรถใหญ่วังแวดไว้นำนาจุมโยธาโหร้องสานาั่นกองปัทวีจักไขว่ตีก่าูบ่อหอนหูกำกันยามจากฟันรบภาพเก็นขานาปราวียามจากหนีถอยออก เขายอมบอกกันฟังด้วยห้อยสั่งและก้องือแจ้งส่งสัญญาเจ้าจุงพิจารณาดันสอดือเรารอดตั้งตายอหยิงใจมวนหมู่ใดตั้งอยู่สดสะดีจคืฮเรานี่ลี่ซ่อนไปอยู่บนแดนใดจุงเรียวไวเก่าูฮเรารูร้ขีญา นอปุถานุมเนาฟังเต้าเจ้าจะใครก่อขาดิิงในหูวรอดว่าเต้าเจ้าหยดเหนือหัวมีความกวหลายลากกวัดได้ผากมาราควรจักจ่าลมเล้าฮือเต้าเจ้าปุรีหายเครื่องขีต่ตำก้อยใจจืนจ้อยดีมา ดังหมอยาผู้ชาลาดับพญาตในตนแห่งบุคคลน้อยใหญ่อยู่ได้ใจบ้านดังเอาอาหารมาเต้าคือคนอยากเข้าหลายวันดังเอาน้ำปั่นเตรียมก้มแก่คนอยากน้ำดีลีนอมูนีตนอง์อาจก็อาภิวาตทุนสา ว่าคาแดมหาราชเจ้าตนเป็นปินเก้าเนือหัวขออย่ากลัวหรือยานตกซาตานสันใด้ฮือสำรานใจบ่ผ่อนดังแต่ก่อนเดิมมาคาอาสาขำใจบ่กฮือเต้าไทยบุญภายมีอุนตรายมาต้องในแห่งห้องสันดาน ป้นหานหาเท้าร้อยเอตาอลอมมากาณาลายหลากสิแปดอคโคเพดีหากเป็นไมยจักย่ำกันตายบ่าจ้าตัวแห่งข้าเสนาบอดี จะคือเขานี่รีพาวออกจากดาวแดนดินดังเอาหินก้อนใหญ่คว้างสัดใสตัวกาดังพรานดงนายญิงบอกคือเล่นปอกถอยหนุนจุ่มรีปนต่างเต้าแม่นหาเท้าสันได้กเอพอไปบ่จ้าจักเล่นกว่ารับสนอาวุธตนนลายลาก จักลาภากเป็นแถวผ้าเขียนแอวขาดไว้จักเกลี่ยราดไข่อน า, ากันทุนสาเบี้ยนแล้วเจ้าตนแก้วนอมูนี <c oughs> กอหืตีกองเปล่าไปไข่ดาวเวียงใจว่าเฮอคนไหนไผ่ไตอย่าร่อนไมเครื่องกาหือปากกันมามวนหมู มวนเล่นอยู่จอมกันเล่นจูอันจูอย่างตามไฟอ้างใจใหมายคนยิงใจตัวดาวฟังกองเป่าสัญญากาปากันมามวนเล่นบ่ได้เว้นคนได้เสียงกองใจเปียบปาตังระนาดมโหรีตุรีญานุนที่มีกองดังไ ข, หงาาขง่ห้องปาราก็มีฮันและนา เมื่อนั้นผาญจุดลนิราชก็ทําอามาเตรียมใจว่าเป็นสันไดหนีไสยเจ้าไผ่ไตมีทีลาหันสึกมาอยู่ใกล้ล้อมเมืองไว้จูป้ายบ่อ ก, กวัวตายมุกมู่มวนเล่นอยู่นั่นเนืองเสียงในเมืองพดออกมาไปนอกปารา สันใด้จาดังอีจุงเกาวจี้มาไว้ใจเตรียมใจแกวันใจอันเจ้าตั้งไว้ต่างตาก่อแสงจาขับไว้ว่าคาบาดให้ตั้งลาย มีมือได้ตัวเป่าปากันเข้าไปดูด้วยผ้าตัวอันน้อยแสงกาวท้อยจะทำยังคนหลายลามมวลหมูอันมวลเล่นอยู่จอมกันว่าสึกอนันหาเท้าร้อยเอตเตอร ม, มาแวดปะราสุไว้จอดเสียงไข่จูไปสั่งบอกกัวตายความนา ย้อนส ก, กาแดนไกลเป็นสันใดจืนสู่มวนเล่นอยู่เนืองนั้นเข้าไข่ปันตอบตาว่าเจ้าฝ้าเราราพาธานาบ่าผ่อนตั้งแต่ก่อนเมื่อนานเป็นราชกุ ม, มารอ่อนน้อยขึ้นข้าค่อยในใจว่ากันยามใดตันเต้า พับไข่ดาวจุมปูยกรีปปนบาจูตีไกล้อมเมืองใหญ่บิทีลายามนันนะากูเต้าจักจืดเยายินดีคือเจ้าปุรีน้อยใหญ่มวนเล่นไข่ปาราบัดนีนะาเต้าไทยสมมักไฟคันนิงใน จิงเร็วไว้เป่าร้องไปไข่หองทานีคือเจ้าปุรีมวนหมูม่มวนเล่นอยู่เดืองนั้นนั่นเลนะต่างสุดตา ร, ราจาสว่วนยาญจุลนิราศฟังถ้อยว่าทุนศายินเครื่องกาโค้าร้องเอิ้นเปล่ากำไป ว่าสูจุ่งไว้เข้าผาเิ้นคาดาเตจิ้งข้าใจยญิงมวนหมูอันมวนเล่นอยู่เนือง น, นั้นตัดหัวมันเสียงไข่ใสรถใหญ่เร็วปัน่นนำมาปั่นกูพอฮือแจ้งต่อสายตาดังเจ้าพระจ้าสั่งให้ลากหมากฟักใหญ่มาไขายข้าฮือตายเสียงไว่ อย่าเว้นไว้คนใดส่วนเจ้าห่อใจวีเตหราชผาวหาดปลาลาตัดหัวมันมารีพาวทะววยแก่กู้เต้าบัดเดียวเสนาเรียวโอร้องสะนันกองแดนไก่ต่างเรียวไว้หลังลูแเล่นเข้าสู่สะสนไม้พ้าจนรบภาพเก้นขานาบเตเมือง ส่วนโยธาเรืองอาจกาแห่งเจ้าฟ้าวิเทหราชมีนำนามวนบูเอาตนอยู่แม่แฝงบนกำแพงกว้างใหญ่กอสัดาสร้อนใสเรียวไว้ตั้งปืนไฟนาไม้ธนูใสยายำมีนานำพร้อมควายยิงเข้าใสสะสน จุมรีปนต่างดาวก่อลมตาวเป็นสายผู้เหลือตายถอยออกไปอยู่นอกไก่ตาแล้วเล่นมาตั้งหมู่โจนลงสู่คือเวียงนำเลือกเปียงหยอดไม้คามบ่อใดดังไมายจมน้ำตายหลายแหล่จักเคแผ่สะสนกาบรีปนน้อยใหญ่กินเลี้ยงไสเร็วไว ส่วนโยธาในหาท้าแห่งตันเต้าวิเตหราากนยิงปืนย า, นาหาน้าไม้ธนูใสัยยายำโยธานำต่างดาวล้มตายเต้ากองกันเข้าได้หันเจ้าโมเตาม้าหมุบโมวำวายก็กวัวตายความนาเล่นดีกว่าขึ้นหลังไปไว้ยังเต้าไทย ตนยศใหญ่จุลนีวาราเจ้าปุรีนี่ใสาภาพ่อไดดังมมยโยทาลายมาจ้างได้มวยมั่งทุมนากันมีแต่เจ้าองอาจไปด้วยอากาศไปบนจริงจากพรชนภาพไดดังมักไฟอากินคนเตียวดิน้นโลกลาบอกอาต่อตาดีลี ตาจุลนีที่ราชฟังถ้อยว่าทุนศากรก่อรรยาอยู่ทาใดสี่ห้าหกวันพอบ่อหันยังจองจะเข้าสู่ห้องเวียงใจโาายธาไในจูดานต่างป่ายกานขึ้นมาจริงเปิกษาามเล่าซึ่งเกวัดเทาอาจารย์ วันโหทาหารมวนหมูเข้าภาพสู่แต่งฟันมาหลายวันนักแก่บอ่อาจแเป้ดังใจล้มตายไปบ่บ น, น้อยบ่สมไปหอยคันิ่งได้เนี้ยสันได้นันใส จ, จักภาพได้ดั้งใหม่มันก่อทาวายก้มเก้าว่าคาแด่เต้าเจ้าปารัง เมืองนี้น้าใหญ่กว้างตั้งอยู่ห่างดาตีขอบพระภูมิยศใหญ่ืตึดน้ำไว้จู่ปลายเมืองน้อยลายม่วนหมูอย่าืไหลเข้าสู่ภายในกันเจ้าเวียงใจน้อยใหญ่บ่มีน้ำใจและกินจักเบาวินลำหมอกไข่พระตูออกพดมาจุงเฮยโยธามวนหมู่ เล่นเข้าสู่ไปในแล้ว เ, เรียวไว้รบภาพเก้นค า, านาเจจิ้งจักสมคานิงไฟห้อยบ่อกาดก้อยดีลีเต้าจุลานีฟังแล้วใจฟ่องแพร่ใจบ้านฮือโยทหารน้อยใหญ่ตึดนำไวจ้จูายส่วนว่าใจแกวนใจอันเจ้าแต่งไว้ต่างตน อมรีฝนลมเทาเฝ้าเต้าเจ้าจุลดีฟังวาตีจีบอกแข่งเทาสกอเกวัดอาจาร์ก็แต้มสารเมียนไขมัดกับลูกธนูใหญ่เร็วไวแล้วยิงไปไว้ว่องตกในห้องปาราจุมโยท้าหันใส่รีบเก็บไว้บัดเดียวแล้วรีบเร็วส่งต่อ เฮอเจ้าหน่อมูนีเหตุเสนาบอดีหนุ่มเท่านอพระเจ้าทรงทำใดไขกำบอกไอว้เฮอหูไข่ความในว่าคนใดเก็บใดยังลูกทานุใสลา ย, ลายสารยา่าใดนานเดินจะนำมาต่อหนาสับปันนอคุณทันบุญใหญ่กันหูไขอาการ มีใจบ้านจืนซู่ว่าเขาบู่ดีดีว่าพระญากูมีลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายแหลกกูจะแกปั่นเขาต้นกิ้งเหลายดใหญ่ก่อหือไผ่ไตโยธานำไม้สร้างมาลายลากาาลายาวหกสิบศอกหากเป็นทาราเอามีดมาผ่าเหล่าตั้งแต่เก้าถเทงปา ล, ลายเลาะข้อหลออกไข แล้วเอาขวบใส่กับกันเอาเจียกปันมัดขาดดินเดียวล่าโทท่าเอานำมาใส่ไว้ฮือเต็มไขจูอันอันแล้วเร็วปั้นขวบไว้ยังดอกโกมุดใหญ่งามดีพงเป็นจีออกดอกที่ข้างข อ, งอกโบกครณี กันร้อยเทยแจ้งรุงดอกกอปุงพดมาปนไม่ น, นานาหนึ่งสอกแล้วกี่ออกกามดีย้อนปาระมีมากเต้าแห่งหนอพระเจ้าทรงยานหากบรรดาหือใดดังกึดไขว่จูอันอันหนอคุณท่านจีบอกคือถอตตนออกเร็วไว ฮือโยธาในหนุมน่มเน่าคดการดอกเขาเป็นวงแล้วออสัตว์ลงไปนอกร้องเอื้นบอกไข่จ่าฮือโยธาต่างดาวแห่งตันต้ า, ตาจุลนีวาสุเครื่องขี่ลายหลากอดกันอยากอาหารจุงเอาการดอกเจียงคานนี่ไว้กินเลี้ยงไสจอมกัน ตัวจักปันจักใจบ่เ ว, ว้นไว้วันใดใจเตรียมใจแกวนใจแสงเก็บใดนำไปถ้า่ า, าวเจ้าหอใจจุนลนิราชและโอกาทุนสาวากานดอกโกมุดนินาดูลากการยาวมากเหลือตาการนาหกสิบจอกบ่หูมันออกเด่นใด ใจเตรียมใจขนหนึ่งใส่แสงน้อมไวทุนสาวาวันหนึ่งนันนะตัวคาละเส่องคานานามีหัตถามือเป่าได้ย่องเข้าไปดูตั้งราตัวอันน้อยไดพอค่อยหลยที่หันมันมีตีไกลสะละใหญ่สุตตาดอกนี่นะมันออก เตี่ยข้างขอกบอกคารณีส่วนดอกดีดวงใหญ่เกิดอยู่ใดทัดไปจักยาวเต่าใดนันไซบ่อไข่สัดจังต่าจุฬาดีฟังมันกาวร้อนผ้าเาวในใจว่าจักคือเจ้าเวียงใจทวนนากันนำท่าดาตาย บ่สมหมายแต่ใส่ย่อนมีสาร ะ, ล, ะลึกใหญ่เรือพามานจริงทามเกวัตอาจารย์ผู้เท่าว่าจากักแย่เหล่าสันได้มันก็ใครขับไปว่ากวรฮือไัยไตโยธาตั้งภาจานุ่มเท่าใดกันเข้าอาหารบ่ป่อนานเนินจ้าจักย่อมเป็นข้าเราราบ่อยาจัก แลนะนานิทิตังขียาสังวันนานาวีเศษจาห้องเหตมะโหสถดผูกสิบห้าปางเจ้าฟ้าจุลณีจักหเหจ้าปุรีหนุ่มเทาได้กันเข้าอาหารตามเกวัตอาจารย์ขับไว้จักสมไฟกิตนา เรือไก่กาเวิดว่างบ่อสมไฟอ้างสันได้อดฟังไปต่อแทงจักหูแจงปลายลูนก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลว